ขอความสุขความเจริญทังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุมกำลังนำเสนอปฐมัททักษะอลัสูตรหรือสูตรที่ว่าด้วยทศพานทศพลยานและตุเวสารัชยานของพระพุทธเจ้า จ่าได้อาธาิบายขยายความให้รายละเอียดไปแล้วแต่วันนี้จะพูดถึงพระพุทธธรรมที่ทรงแสดงว่าทรงบรรลือเสียนาฏประกาศภูมิใจในบริษัททั้งหลายว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูป ดังนี้เวท น, นาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ความดับแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความดับแห่งสังขารทั้งหลายดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณ ดังนี้ความระแภนวิญญาณนั้นคือช่วงหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้มีความสำคัญเรื่องจากส่งแสดงเรื่องของขันทั้งห้าประการซึ่งเมื่อเรากล่าวโดยสรุปในแง่ของความเป็นจริงแล้วโลกทั้งปวงก็ยกเว้นลิพานอย่างเดียวมันก็อยู่ในกลุ่มของขันทั้งห้าประการอย่างตัวเราแต่ละคนก็ประกอบด้วยขันทั้งห้า ส่วนที่เป็นรูปขันก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศส่วนที่การเป็นนามขันก็ประกอบด้วยจิตหรือกเจตสิกก็ที่จริงก็คือประกอบด้วยจิตนั่นแหละก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกวิญญาณก็เป็นจิตมันก็หมดทั้งโลกนั่นแหละ โลกมันก็มีองค์ประกอบอย่างนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตรหรือไม่มีชีวิตก็ตามแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้อย่างไรก็แก้ไม่ออกเป็นอารมณ์ของกรรมฐานคือในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นทรงเรียกว่าขันธปร ะ, ระทรงสแสดงเหมือนกันอยู่สแสดงสามจังหวะประการแรกคือตัวรูป คำรรูปโดยกรอบใหญ่ก็รูปปฏิจีทูปโปสิ่งใดย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปส่นกรอบของคำมรรูปจึงควา้างขวางมีการจำแนกแสดงแต่ว่าพอเราดูก็จริงมันก็อยู่ในตัวเราเราแต่ละคนนั่นแหละเป็นที่รวมของรูปทั้งหลาย ทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประนีตทั้งไกลทั้งใงกล้มันก็สรุปรวมอยู่ที่รูปรูปร่างกายของเราในส่วนที่จะแนกแสดงไว้ในรูปยีสิบปดเนี่ยจริงก็คือย่อยดินน้ำลงไฟอากาศออกไปในรายละเอียด ก็กลายเป็นภูตรูปคือดินน้ำลงไฟ4ประการแล้วก็เป็นอุปทายรูปคือรูปที่ยิงอาศัยอยู่กับดินน้ำลงไฟอีก24ประการรวมแล้วก็เป็นรูป28ประการมีการส่งจำแนกแสดงไว้ในประสู์ต่างๆเป็นนันมากโดยเฉพาะ ให้รายละเอียดไว้ในอภิธรรมในวิดโดในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้ดวูว่านี่คือความเกิดขึ้นแห่งรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปยกตัวอย่างว่ารูปชีวิตของเรานั่นเองมันก็เกิดขึ้นโดยกระบวนการของกิเลสกรรมและวิบาก ก็ ต, ตามโครงสร้างของปฏิจจสมบาทที่เราเจอมาในพระสูตรต่างๆนั่นเอนงหมายความวาสายเกิดคอวิชาก็เป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปรูปมันก็เริ่มตรงนี้นามรูปเป็นปัจจัยก็เกิดเป็นสลาญตนะสลายตนะภายในก็ดีภายนอกก็ดี5ข้อแรก ก็เป็นรูปข้อสุดท้ายก็เป็นนามก็หมายความว่ามโนกับธรรมอารมณ์หรือจิตกับธรรมอารมณ์มันเป็นนามอยายตนะเป็นปัจจัยก็เกิดปัจสะกัจสะมันเป็นการกระทบระหว่างรูปกับรูปหรือว่านามกับนามก็เป็นการกระทบกัน ก็กลายเป็นอาญตนะฝ่ายละหก 6, ฝ่ายนอกหภายในหกแล้วก็กลายเป็นผัสสะปัสสะก็หกการกระทบทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเมือ่อปัสสะมันเป็นหกเวทา น, นาคือการกําหนดอารมณ์มันก็กลายเป็นหก เรียกเต็มๆว่าจะขูสัมผัสชาวเวทนาเป็นต้นเร็วความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุกกตามทุกกตามไม่ทุกไม่สุกกตามตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็ไปยึดโยงอยู่กับปัญหาสามไปยึดโยงโยตการณ์ทั้งสาม พูดไปพูดมาเวทนาก็เป็นนั่นเองทีนี้เมื่อเวทนาเขามีมีหกก็พูดเฉพาะหก ก, ก, ก็ทำให้ตัญหามม่เกิดขึ้นในอารมณ์หกก็เกิดขึ้นที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ผลต ภ, ภัและที่ธรรมารมปัญหานั้นเป็นนามธรรม เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นปรุงจิตของมนุษย์มนุษย์ก็ไปกำหนดค่าตั้งแต่อายตนะมาอายตนะแล้วก็วิญญาณแล้วก็ผัสสะมันก็เกิดเป็นความยินดียินร้ายพอยินดีมันก็เกิดสุขเวทนายินร้ายก็เกิดทุกขเวทนา ไม่ถึงก็ยินดีไม่ถึงยินร้ายก็เป็นทุกขกรมสุขเวทนาวันไปเลยเรียกจริงๆเราเรียกว่ารูปตัณหาสัทธาตัณหากัญธาตัณหารสตัณหาพุผลตัณหาธรรมตัณหาแล้วก็อีกแหละมันไปเชื่อมโยงอยู่กับตัณหาสามแล้วตัณหาเองก็ไปเชื่อมโยงอยู่กับสัจตตาทิจิรุจิตตทิจิ แดี๋ยรงนี้เองก็ไปเชื่อมโยงอยู่กับอวิสานเพราะตัวรากงาจริงๆมันก็ามาจากอาวิชานทําให้เกิดหลงผิดเข้าใจผิดมาแต่ต้นไปเข้าใจสิ่งทั้งหลายบางอย่างว่าเที่ยงบางอย่างว่าไม่เที่ยงบางอย่างว่าเที่ยงหมดบางอย่างว่าเที่ยงไม่หมดอะ ไ, ไรต่ออะไรเป็นกก็กลายเป็นทิฏฐิที่ถูกเสี่ยงได้อีกเยอะแยะ แต่ละเรื่องนี่มันมีความวิจิตพิสดารเท่านั้นแล้วก็เมื่อเป็นตถาคตก็เป็นอุปท า, านอุปท า, านก็เป็นอุปท า, านอุปท า, านอคตินในขันห้านั่นแหละแต่ตัวที่เป็นอุปท า, านเนี่ยมันมีสก็ในแง่ของความจริงก็คือกิเลส ยังจะเรียกชื่อต่างกันเป็นการมุปาทานถือมั่นด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่จิตใคร่แล้วก็ทิฏฐปาทานถือมั่นด้วยอํานาจของทิฏฐตามความคิดความเห็นขวงตนแล้วก็ยึดติดในความคิดความเห็นตรงนั้นแล้วก็ศีลละประตูปาทานถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยการประพฤติปฏิบัติ ที่เข้าใจว่าขรังว่าสักิ์สิทธิ์ว่าว่ามีมหิุธาณุภาพในการต่างๆแล้วก็อัตวาทุปาทานถือมั่นเรื่อ ง, องตัวตนว่ามีตัวตนอย่างที่จะแนกไว้ในวันก่อนพูดถึงตัวตนถึงยี่สิบประเภทตามขันห้าหมายความ่าประยุทธ์ือรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาในอย่างละสี่ เซนวารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีในเราเรามีในรูปเป็นต้นจนถึงวิญญาณเป็นเราเรามีในวิญญาณวิ <c oughs> วญญาณมีในเราเรามีในวิญญาณก็กลายเป็นทิฏฐินาสิกายิ ต, ติการจาแนกอย่างนี้ที่จริงเราก็จําแนกไม่ออกเราก็จริงถ้าให้ตอบสมมติว่าเขาตั้งคำถามขึ้นมา จะให้เราตอบว่าไปสาการะทิฏฐิความเห็นไปได้ถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนไปเราเป็นเขาเนี่ยที่ท่านบอกก็มียี่สิบเนี่ยลองแยกมาดูเราก็พูดได้แก้แค่ที่ท่านบอกนะั่นแหละแต่ว่าจะอธิบายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นเรื่องขณะขณะขณะแล้วพูดจาสื่อสารออกไปเอาก็จริงคนฟังก็ไม่เข้าใจ พวกนี้จึงตามปกติแล้วก็สอนกันในชั้นเรียนผู้การระหว่างครูกับนักเรียนแล้วก็มีคำพีวางอยู่ข้างหน้าก็ยังนึกกวิธีการเหล่านี้ก็ศึกษาคล้ายๆกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมต่ก่อนก็ ได้อ่านบทความเขาเล่าถึงการศึกษาในปอ น, นอนของเขานึกถึงว่าวิธีเออมันก็เป็นวิธีเดียวกันกับการต่อหนังสือคั่มสมัยโบราณแล้วคงจะเป็นอย่างนั้นทั้งโลกกันแหละตันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเป็นความรู้ระดับยานแยกได้ออกขนาดนั้น ทีนี้พอเป็นอุปท า, านเนี่ยมันก็ไปยึดในขันพอยึดในขันก็ยึดด้วยอำนาจความรู้สึกจากทิฏฐิตรงตรงบ้างจากกรรมบ้างจากอะไรบ้างแต่พอยึดเนี่ยตามปกติเราจะคุ้นเคยกับคำว่าปัญหามานตาิจิตมากกว่ามืถือเรื่องหน้าตัญหาก็คือเป็นของเราของเรา บุคของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราจะยึดด้วยอำนาจของมานะมันก็ยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้เเนเลืนน่ลงไปก็เราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเรางมันก็แสดงว่าผสมกรรมกับอังกัปจิติจะยึดถือด้านหน้าก้อ น, นะนทิศก็เป็นตัวเป็นตน ตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วก็กลายเป็นอุปาทานในขันห้าเพราะเราจะเห็นว่าเอาข้อจริงตัวอุปาทานที่ไปยึดในขันห้าเนี่ยอุปาทานมันก็มีสียึดถือในขันห้าอย่างห ย, ยาบๆมันก็ยี่สิบือกันแต่ว่าในรายละเอียดยังยึดถือเยอะ เพราะสิ่งที่ไปยึดมันไปยึดมันตั้งแต่อายตนาเรียกว่าถือโดยนิมิตหรือถือโดยอนุพยัญชนะคือโดยนิมิตก็เอากันเป็นชินช้นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นตัวเป็นสิ่งเป็นหลังอะไรก็แล้วแต่ที่ถือโดยอนุพยัญชนะก็แยกถือก็แล้วแต่ว่าเราพอใจตรงไหน แล้วกหกฎหมายตรงนั laws, things, ham, ้นว่าสวยงามน่าค really no ่ายน่าปรารถนาน่าพอใจแตจิตมันจึงวิจิตเพราะอารมณ์มันวิจิตเพราะตัญหามันวิจิตเพราะกิเลสต่างๆมันวิจิตวิจิตมันคิดอะไรได้เรื่องได้เยอะเลยก็อ่านหนังสือตอนนี้ก็ตรวจหนังสือของนักศึกษาอยู่ จบไปเล่มหนแล้วก็ยังอีกจบเล่มหนึ่งก็กำลังสวดอยู่แล้วสังเกตรเราไปเห็นเออนี่มันก็จิตมันวิจิตไปเฉยเรื่องมันไม่ได้สลับซับซ้อนลึกซึ้งขนาดนั้นหมายความมันจะเริ่มต้นตรงไหนก็ได้แต่ว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเขียนต่างคนต่างพูดออกมาในเรื่องเดียวกัน อันไปอันมาข้อความมันไม่ตรงกันทุกตัวอักษรเราก็มองเห็นความแตกต่างแต่ถ้าเรามองโดยเนื้อหามันก็ไม่แตกต่างอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่ า, ยาพูดถึงว่าการเดินทางไปสู่ที่ใดที่หนึ่งไปยังไงก็ได้ยานพาหนะอะไรก็ได้ไปถึงก็ไดหรือไม่ต้องไปยึดติดในรูปแบบอย่างนั้น แต่ตามใจที่เรายังมีตัญหาอุปาทานอยู่มันก็ต้องยึดแลหละไปยึดไปแล้วมันก็กลายเป็นภพภพนั้นเป็นอย่างหนึ่งก็เป็นบุญเป็นบาปเป็นนันเลนชาก็รเรียกว่าสังขารภพอย่างหนึ่งก็เป็นปติภพคือสถานที่ที่สัตว์จะต้องไปเกิดเมื่อเป็นภพมันก็กลายเป็นชีวิต ก็เป็นชาติเกิดเป็นกำเนิดต่างๆในกำเนิดทั้ง4ประการเกิดในครันเกิดในไข่เกิด ใ, ใ, ในของสกปรกเกิดเดยผุดขึ้นทนี้พอเกิดมาแล้วมันก็นเลื่อนไหลก็สู่ความแก่ความเจ็บความตายสู่ปัญหาไปกินกาทุกข์อีกอันหนึ่ันนับก็ได้ไม่นับก็ได้สรุปแล้วว่าก็มีทุกข์อยู่สองประเภททุกประจํากระทุกจรจอมาได้เยอะวิจิตติสนาได้เยอะ อันนี้ก็คือความเกิดขึ้นของรูปแล้วในปฏิจจสมบัติเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงความเกิดถึงสองครั้งคือเกิดในชาติปัจจุบันแล้วก็เกิดในชาติต่อไปเกิดในชาติปัจจุบันเราก็เรียกว่านามารูกเกิดในชาติต่อไปเราก็เรียกว่าชาติแล้วก็สรุปว่าเกิดนั่นแหละ ที่นี่ความดับแผงรูปการดับรูปในมันดับตัวยึดจิตของมันก็เป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตลำหลักของไตรสิกขาหรือหลักของริมัคยงแปดประการอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงธรรมะเพราะว่ายังไงี่เราจะเห็นว่า ในธรรมะสามข้ออดยเฉพาะศีสมาธิปัญญาดูง่ายหน่อยศีถ้าเราเข้าถึงโดยลึกซึ้งไปตามลาดับเราเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งจิตมันจะกลายเป็นธรรมะไม่ได้เป็นศีก็เป็นหลักใจเป็นเรือนกายเป็นตัวคุ้มครองใจของบุคคลพอมาถึงจุดนั้นมันก็ไม่ต้องนับข้อ กี่ข้อก็ไม่รู้ใช่ั้นแต่ว่าการกายวาจาของบุคคลจะดำเนินไปบนวิถีแห่งศีลวันศีลมันก็จึงเป็นปกติปกติก็เป็นอย่างนั้นเองถ้าปฏิบัติพัฒนาจิตมาถึงจุดนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีทางเป็นอย่างอื่นหรอกนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาวันก่อนมีพระ ก็นั่งกันไปในรถแล้วเขาก็เล่าถึงเจ้าคุณเสเดจรูปหนึ่งท่านมรภาพไปหลายปีแล้วท่านก็เจริญกรรมาฐานแล้วก็หมายความว่าอะไรก็ไม่รู้แหละที่ทำจิตได้สงบได้ท่านก็ดูสองพระท่านก็ส่องดูแล้วไม่น่าจะเป็น เวลานี้ปรากฏว่าลูกศิษย์เอากระดูของท่านที่เก็บไว้มาดูมันแปลเป็นพระธาตุค่อยๆแปลไปก็ยาวไม่ได้เพ้อผีหรอกเลยก็บอกพระก็ บ, บอกว่าเราไม่รู้หรอกการบรรลุมรรคผลเนี่ยมันเป็นเรื่องขนาดจิตเดียวแต่นั่นเองวางก่อนจะดับจิตท่านเห็นเวทนาในเวทนาขึ้นมา เห็นเควนทุกข์ขึ้นมาเห็นอะไรขึ้นมาในสังขารร่างกายของท่านแล้ท่านก็จเจริญนวิ ป, ปัสสนาทันบรรลุแล้วก็ตอนนั้นท่านก็เป็นนิพพานไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่ที่มันยุ่งเวลาเนี้ยคือมีการปลอมแปลงพระธาตกันมากเลยก็จริงก็กลายเป็นปลอมๆก็กลายเป็นจริงตามความเชื่อของคน แล้วก็ทําให้กล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันในกรณีที่เขาเอามากล่าวหานั้นคือเรื่องที่ปลอมจริงแต่พอกล่าวหากราดไปหมดมันก็กลายเป็นการยืนยันในสิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์ซึ่งก็มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงในการพูดเรื่องอย่งนี้แล้วก็แสดงให้เห็นได้ว่า คนที่พอเข้าถึงจุดนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละทำามาใครก็ได้จิตมันเดินไปถึงจุดนั้นถ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละท่าก็ดับความยึดมั่นหรือมั่นในรูปมันก็ได้เมื่อดับที่รูปได้อย่างอื่นก็ดับตามไปสิ่เองก็มีลักษณะอย่างนี้นอย่างศีลข้อเมตตาไม่ใช่ก็เมตตาข้อปานา ถ้าจิตมันเริ่มไปสู่การสำรวมระวังเนี่ยที่จริงมันก็กึงก่งศีลกึ่งธรรมเพราะอะไรเพราะว่าสังวรประทานเนี่ยมันเป็นอรมิมักซึ่งก็เป็นจิตติคขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็เริ่มสำรวมระวังไปตั้งแต่ศีลพอสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นจิตมันสำรวมไปโดยธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นธรรมะ พอถึจิตต่อไปก็ก้าวไปสู่ฮิริโอตปาตต่อไปก็เกิดขันติไม่ใช่เป็นใจเกิดขันติเกิดเมตตาเกิดกรุณาเขาเรียกเมตตาอินดูเกิดเมตตาเกิดกรุณาแล้วต่อไปก็จิตจะเป็นสากลคือจะมีจิตคิดอนุอเคราะห์ต่อหลักต่อสัตว์ทั้งหลายแบบสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทาายั้งปวงที่เรามาสวดกัน หมายความมองสปปรรพชีวิตทั้งหลายในโลกเป็นเพื่อนร่วมพัฒเกิดแตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นปรัตนาการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประตุทรายกั น, นแต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเมื่อเราถึงอย่างนั้นศีลอีกเอเนกนั้นต์มันก็มันก็หมดเราเห็นว่าการยึดติดในตัวตนมันเปลี่ยน เปล่นจากความเป็นเราเป็นเขากลายเป็นพวกเรากับพวกเราแล้วพอจิตคิดวุ่นเราะต่อโลกเนี่ยไอเรามันก็จางไปไอคําว่าเราว่าพวกเราเนี่ยมันก็จางไปเราก็จึงไหมแต่สัตย์ฉานก็พวกเดียวกับเรามันก็เป็นชีวิตชนิดหนึ่งเป็นชีวิตชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยเงื่อนไขของสังสาระักรเช่นเดียวกัน เราก็เกิดด้วยกิเลกรรมวิบากนี่อเราก็เกิดด้วกิเกลกรรมวิบากล้วก็ไม่แน่หรอกสาธุชนเหล่านั้นอาจจะเคยเป็นญาติพี่น้องเรามาในชาติาก่อนอย่างที่ผู้ใหญ่ท่านเล่าว่าจะประคุณสมเด็จพระพุทธาจานทร์โตวัตรคังพรมรังสีเนี่ยเวลาท่านตากผ้าเอาไว้ผ้ามันหล่นลงมาสุนัข ก, ก็ขึ้นไปนอน ท่านจากต้องการเอาจีวรมาขมถ้าไปนั่งเฝ้าสุนัขให้มันรู้ขึ้นเด็กไปเห็นก็บอกว่าเจ้าพระพุทธทำไมไม่ไล่สุนัขท่นบอกว่าไล่เขาได้ยังไงเขากำลังหลับแล้วก็ดีไม่ดีนี่เขาอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์มาถือกําเนิดในสุนัข ก, ก็ได้จะต้าให้ความเคารพหมแม่แต่สัตว์ดีสัตว์ สรบสิทธิในชีวิตของเขาในสวัสดิภาพของเขาแสดงว่าจิตเป็นสากลเดียกทีนี้พอเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อโลกเนี่ยแม้แต่พืชมันก็ไม่เป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันแล้วถ้าจิตไม่ตัดทำลายพืช จิตใจก็ควรรอในสังคมถ้าเราพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยการตัดไม้ทำลายป่าต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแต่มันจะอยู่ภา ย, ภายใต้เงื่อนไขของตัวบทกฎหมายแล้วก็มีจิตคิดนู้ครับทุกครั้งที่ตัดต้นไม้ต้นหนึ่งก็นึกถึงอ น, นาคตว่าลูกหลานจะอยู่ได้อย่างไงต้นไม้ต้นนี้ถ้ากว่าเป็นคนมันก็รุ่นพ่อเราแต่เราก็ตัดโค่นเขา ก็หมายความปลูกของเด็กปูกตายไปแล้วทำยังไงจริงจะสร้างพ่อขึ้นมาใหม่หมายความมาปลูกรกไม้ตัดต้นไม้พร้อมด้วยการปลูกรนไม้ามาเดเชยสังคมก็มีความสมดุลก็ยอยู่ร่วมก็ได้ด้วยปกติสุดวันเราเห็นว่าความดับของรูปก็คือการดับของกิเลส ดับของอุปาทานดับของตนาดับของอุปาทานดับจริงๆก็ไปโนอนแหละไปถึงพระรหันต์แต่ว่าเอาขนาดว่าดับแบบบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ก็เป็นบุญมากยิ่งแล้วลการต่อไปนี่คือเวทนานี้ความเกิดขึ้นของเวทนานี้เป็นความดับของเวทนาน เราเรียงอย่างนั้นทรงเรียงไว้สามช่วงนะฮะงเรียงไว้สามช่วงเวทนาก็คือสภาพของจิตที่ทำนทัทิสวยอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาสัมผัสแต่ว่าจิตที่สวยอารมณ์เนี่ยอาจจะสวยอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้นะบางครั้งบางคราเราจิตตนาการถึงอนาคตก็นั่งยิ้มกริม ครึมครึมอยู่ภายในใจแสดงว่าเวทนาที่ปรากฏแก่จิตในขณนะนั้น น, น, นั้นที่จริงมัเป็นหน่วยเวทนาที่อาจจะมีในอานาคตมีหรือไม่มีเราไม่รู้แต่ว่าเราก็เป็นสุขแล้วแล้วคิดอดีตแล้วก็เป็นสุขแสดงเวทนานั้นที่จริงมันมาจากเหตุปัจจัยในอนดีตบางทีก็สัมผัสอารมณ์ในขณนะนั้นในปฏิบัติขณะแล้วเราก็มีสุข เราแสดงของเวทนานะั้นมันดำรงอยู่ในปัจจุบั น, น, เนาเวทนาก็คือเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นปรุงจิตเขาเรียกว่าจิตสังขารเวทนากัรสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสังขารมาความอาการที่เรามีทาตทีต่ออารมณ์ที่เราสัมผัสยิ่งจยอนไม่เหมือนกันแตกต่างกันยินดียินร้ายเฉย แล้วก็ออกมาเป็นรูปเวทนาที่สุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาในอดีตกับเวทนาในอดีตที่เราเคยมีต่อสิ่งสัมผัสเหล่านั้นแล้วเราก็จําไว้อจำไว้ทั้งสองตัวนั่นแหละจําไว้ทั้งเวทนาจําไว้ทั้งตัวสัญญาบางคนบางคนเราเห็นหน้าแล้วเราไม่สบายใจบางคนเห็นหน้าสบายใจ หมายความว่าคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราเคยพบเข้ามา ก, กอนแล้วเขาก็เคยเป็นเหตุให้เราเกิดสุขเกิดทุกข์คนที่เป็นเหตุเราเกิดสุขเราก็พอเห็นเราก็สบายใจคนที่เป็นเหตุเราเกิดทุกข์ในอดีตพอเราเห็นเราก็ไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสัมผัสกันได้ในชีวิตประจำวันอันนี้ความเกิดขึ้นของเวทนา เวทนามันเป็นขันดังหนึ่งนอกจากมันเป็นเจตสิกแล้วมันก็เป็นขันนนะถ้าเราเอาปัจจุบันขณะเอาจากที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องออกไปเราจะเห็นว่าในความจริงที่แท้จริงเวทนาก็คือศัพท์คำว่าเวทนามันไม่ใช่ศัพท์บุคคลโกตะนเราเขาอะไร ยี่งแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นมั่นแต่นั้นเองมันจึงมีอมนาจอิทธิพลต่อใจของเราวันก่อนดูดูข่าวนะดูข่าวคนก็แต่งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงมาออกกำลังกายกันถือไม้ถือไม้ไผ่รู้สึกจะเป็นไม้ไผ่ ถึงเครื่องมือในการออกกำลังกายแล้วข่าก็บอกว่าพวกเนี้ยเป็นพวกเสื้อแดงจริงพวกเสื้อเหลืองจริงแล้วก็มารูปกันเล่นกีฬาแต่เสร็จแล้วก็จับมือแล้วก็ยกมือไหว้ก็แยกย้ายกันไปก็เป็นเพื่อกันเราเห็นว่าการมีเสื้อเหลืองเสแดงเนี่ยมาเป็นอุปท า, านเฉ ย, เฉย เรามองย้อนกลับไปก่อนที่จะมีเหตุการณ์อะไรกลุ่มอะไรกลุ่มพันธมิตรอะไรเนี่งเราเจ็นว่าเสื้อแดงเต้นตอนเดือนมิถุนา2549วันที่9วินาฏินั่งอนันตสมาคมลืดมาจนถึงราชดำเนินกลางเสื้อเหลืองเต็มหมด เป็นเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นเครื่องหมายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีเอกสัญลักษณ์คือเป็นสีจำานประสูตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นไมมันเราเปลีนนะ่ยนในความคิดเท่านั้นเองไอ้เสื้อมันสีม่ไ ม, มีอะไรออกมันก็สักแต่ว่าสีเท่านั้นเองสีเหล่องสีแดงสีขาวสีเขียวอะไรแต่เรนสักแต่ว่าสีเท่านั้นเอง แต่พอเรารบรุงคิดคิดรุ้งขึ้นมาเากลายเป็นความชอบความชังและสีแดงก็เหมือนกันนะสีแดงมันเป็นเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์อะเป็นเป็นเป็นหัวใจอ่ะหัวใจมันคืสีแดงแล้วก็เป็นเลือดแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติความหมายมันก็ดีแล้วนั้นนะเป็นความสว่าง ร, รุ่งเรืองแจ่มใสก็ทุกๆสีนั่นแหละ แต่เพราะอุปาทานมันก็คอยเกิดความแตกแยกแล้วคนเราทําไมเขาจับมือเขาไหว้กันได้ความคิดมันเปลี่ยนขณะเดียวตั้งแต่เ อ, เอกกระจบแล้วบ้านเราที่หยุมหยิมเรื่องไร้สาระเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยเพราะไปเอาจริงเอาจังกับจริงที่ไม่จริงไม่จังเหมือนความทว่าสิ่งที่เราเอาเป็นจริงเป็นจังที่จริงมันไม่จริงไม่จังอะไรสับแต่ว่าสับแต่ว่าสับแต่ว่าเท่านั้น แม้แต่ตัวเราก็เถอะเอาก็จิกมันก็ต้องตายต้องแตกลับไปจะสู้รบอบมือกันทำอะไรชนะแล้วได้อะไรแพ้อะไ ร, ะไรมันไม่มีใครได้เรามีแต่คนเสียในโลกนี้เกิดมาเราก็ขาดทุนชีวิตทุก ว, วันวันะยี่สิบี่ชั่วโมงย่บสี่ชั่วโมงก็ขาดไปพันเวทนามันจึงขึ้นอยู่กับการที่ อยายตนาภายในกับภายนอกมาประจุ ก, กันมาเจอกันมาเห็นกันแล้วก็เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเรียกว่าวิญญาตีความรู้ต่างๆจงูกจิใจนเรียกว่าวิญญาณจากนั้นก็เป็นสัมผัสใจมีความจำต่อสิ่งที่เราสัมผัสในแง่บวกเราก็เกิดสุขเวทนาจาในแง่ลบเราก็เกิดทุกขเวทนา เ, เกิดเวทนามันเป็นอย่างนี้ถ้าวันใดที่สติเราดีพอเราก็ปิดกั้นความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้มองเห็นมันก็สักล้อเวทนาหรือมองให้เข้าถึงอนัตตาไปเลยก็ยังได้เลยเพระเวทนาเราก็มองเป็นตัวเป็นต น, นอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคคัลราชมาดูก่อนโมคคัลราชเธอจึงมองโลกนี้เป็นของศูนย์แล้วถอนอัตตาโนทิิ คือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยออกไปแล้วถ้าทันได้เลอก็หลุดพ้นจากอานาจของความตายสรงใช้คำว่ามัจจุราชจะตามไม่ทันคือจะมองไม่เห็นนี่ก็เป็นเรื่องของเวทนาเวทนามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทีนี้ความดับของเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวทนามันเป็นผลมันเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุหรอก ตอนเมื่อเมื่อเมื่อมาเป็นผลก็เกิดมาจากจิตที่เรมามีตัณหาจิตรมีกิเลสพวกง่หรืจิตรมีกิเลสเพราะเวทนาเนี่มันมาจากกิเลสได้ทุกตัวแต่ความโก้ก็ได้จากความโลภก็ได้จากความกำหนัดก็ได้จากความหลงก็ได้แต่ความยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้มันก็มาได้ทั้งนั้นมันเกิดเวทนาได้ทั้งนั้นคนเราหาเรื่องใส่ตัวเองมากๆ ม, ม, มันก็ยุ่งทั้งนั้นะ เพราะฉะนั้นถ้าจะดับเขามันก็ต้องดับที่กิเลสเป็นเหตุยึดมั่งถือมั่ น, น, นในกระบวนการของพระสูตแถวนี้ก็คือพูดถึงตัณหาอวตานหมายความว่าเวทนาก็สักแต่ว่าแต่เวทนาตัณหามันไม่เกืิดเวทนาปรากฏเช่นสุขเวทนาปรากฏเออสุขเวทนามันก็ปรากฏแล้วไปเรา แต่สุขเวทนานี้มันไม่เที่ยงน้มันเป็นทุกข์น้ำมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานะเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปมันเรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราแม้ตัวเข้าไปแบกรับมันมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ที่มันเป็นเกินที่มันเป็นเกินที่มันเป็นก็เพราะว่าใจเราไปยึดมั่นถือมั่นหไปมันถ้าเราดับกิเลสตัณหาลงไปได้เลยจ้ะ พูดง่ายๆว่าบันเทาก่อนนะครัพยายามบันเทาตัณหาอุปาทานลงไปและการที่ใจไปยึดมั่นถือมั่นมันคลายลงมันไม่ถึงกระดับชินเชิงหรอแต่บันเทาเวทนาที่แรงเวลาทุกเวทนาที่แรงมันเกิดมีลักษณะของอุปาทานที่เกินเหตุเกินผลไป อย่างยกตัวอย่างว่าพ่อแม่ตายอย่างเงี้ยร้องหมร้องไห้เป็นวักเป็นเวรสามวันแปดวันแล้วมันได้อะไรขึร้นรอให้คำตอบอะไรมันได้เลยสักคำหนึ่ยทำไมร้องไห้ร้องไ ห, ห้เพราะอะไรเพราะพ่อตายร้องไห้ทำไมอยากให้ท่านพื้นมาถามท่าถามถาท่าัดพื้นมาในี่คุณยินดีเลย จบฉีดน้านยาไปแล้วนะแล้วก็ตั้งจบบาเพ็ญกุศลตั้งสามสีวันแล้วสมมติว่าท่านฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะและประสาสัมผัสเส้นทั้งหลายที่มันมันตายหมดแล้วอะทาไงแลยเห็นว่าถ้าสมว่ิลรกฟื้นขึ้นมาก็นอนตาปิดๆเป็ปนลงมันกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นผลาะกลายเป็นความเดือดร้อน แต่เราก็ยังมิยมร้องไห้กันดูนั่นก็แสดงว่าเรายึดติดในรูปยึดติดในสุขเวทนาตอนพ่ออยู่ตอนแม่อยู่เราก็อบูนเราก็สุขสบายตอนนี้ท่านจากไปยังทำตัวเป็นลูกหยาอยู่ได้ไงโลบา น, นี้แล้วท่านตายมันก็ธรรมดาของชีวิตก็เป็นอย่างนั้นเอง มันเกิดมาก่อนมันก็ชอบแกเหตุที่ท่านจะตายก่อนถึงแม้ท่านจะตายทีหลังก็ชอบแกเหตุอ่เพราะว่าท่านเกิดมาอายุยืนเราก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้เอาขนาดนี้ก่อนแต่การดับเบตนานั้นเราอย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ สสุกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่านิพานมันก็เป็นสุขนิพานังปรวังสุขขงังนิพานมันเป็นสุกเพราะเวรดับเราก็พูดถึงดับทุกเราก็ไม่พูดถึงดับสุกหรอกเพียงแต่ว่าระดับสูงสูงขึ้นไปเนี่ยท่านไม่ยึดมั่นถึงมั่นแม้ในสุขหรือในทุ ก, ก็ตามดังนั้นก็นี่ก็เป็นความดับของเวทนา แต่จเลื่มาถัาดับจริงๆต้องดับด้วยอริยมากนะระการต่อไปก็นิสัญญานี่เกิดแห่งสัญญานี่ความดับแห่งสัญญาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ก็หมายถึงการจำรูปจำเสียงจ ำ, จ, ำ จ, ำจำิ่นจำรสจำโผฏฐพัชพ์จำธรรมารมณ์นั่นแหละสิ่งทามสัญญามันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นมาจากประสาทสัมผัส แล้วก็กลายเป็นบัญญาณแล้วก็กลายเป็นผัสสะแล้วกลายเป็นสัญญาเป็นสัญเจตนาแล้วก็เป็นเบตนาก็ย่ังอยู่ในกระบวนการเดียวกันหมายความว่าเวลาส่งแสดงโดยพิสดารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตรงนี้สรุปว่าในกระบวนการนี้มีนยู่ี่อยู่สิบคำเดวยกัน หมายความมายาธนาภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณแล้วก็สัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาแล้วก็สัญญาเป็นสัญเจตนาเป็นตัณหาเป็นวิตกเป็นวิจารเพราะว่ากันไปละเอียดนะครับเป็นสัญญาสัญเจตนาเป็นตัณห า, า ก, ก็จนถึงวิตกวิจารณ์นี่ก็ก็แล้วแต่ว่าทรงแสดงโดยสรุปหรือว่าแสดงโดยติดสัญ แต่ถ้าเราจะตามรู้อย่างนั้นมันเร็วเกินกําลังที่จะรู้ไปกันแหละเพราะว่าจริงมันเพื่อเดียวมันเป็นวิตจตุพยานกำหนดทันไม้มเอากําหนดให้ทันมันเป็นวิจตวิจารนแล้ววิจตุพยานตัวที่เก้าที่สิบนะแต่ไม่ไปแล้วพอผ่านขั้นตอนอื่นๆไปเยอะพอเราเขียนเป็นตัวหนังสือก็ใช้เป็นตัวหนังสือแต่เวลาเกิดที่จิตเขาไม่ได้เกิดอย่างนั้น มาได้สโ o w m o t i o มาเกิดอย่างนี้แต่รวดเรยวมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละบรัทสัญญาที่เกิดมันก็เกิดจากประศาสัมผัสของอายตนะนั้นกล่าวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราจําไว้ก่อนพอส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งในขันห้านะสัญญา ตัวหนึ่งในคันห้าเราก็มีอยู่แล้วเป็นตัวปรุงจิตอยู่ด้วยทีความดับมันก็ดับอีกแหละถ้าจปกติเราจะเจนว่าสัญญาเราก็ดับอยู่ด้วยเองเรื่องที่ควรจะจํากลับจําไม่ได้เรื่องที่ควรจะลืมเราก็กลับจําอะไรแต่างๆความจำเราหายไปเยอะวันวันมายังนึกว่าเราอ่านหนังสือสมมติว่า สักสามทิพน้าห น, นังสือสักสามทิพน้าแล้วก็มาบรรยายสรุปดูเรเรียกว่าไม่ต้องเปิดหนังสือดูนะบรรยายเลยเราแสดงว่าก็จริงเราจําได้ไม่กีนะ่หน้าข้อความโดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยอาจจะจำได้รายละเอียดเราก็จําไม่ได้วันที่จริงมันก็ดับอยู่แล้วเพราะมันตัวมันไม่เที่ยง แต่นี่การจะดับสัญญาเนี่ยพูดไ ป, ปใหญ่นะแต่ว่าอย่าลืมมาดับอุปาทานอาคารมาก็ดับสัญญาด้วยนั่นแหละแต่จริงๆก็สัญญาท่านยังมีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่เพื่อรับใชก้กิเลสมันก็เป็นสักแต่ว่าสัญญาท่า น, นั้นเองเราถึงสังขารก็สงศนธรรหนองเดียวกันสังขารนั้นหมายถึงเจตสิกธรรม เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีกลางๆ ก, ก็มีมันก็เกิดขึ้นโดยกระบวนการของกุศลอกุศลมันมีรากง่าคนละรากกันกุศลก็มาจากวิชาอากุศลก็มาจากอาวิชากลางกลางมันก็เป็นเรื่องของปฏิกิิยานี่แหละมันเป็นเรื่องของธาตุทั้งหลายนี่แหละ นั่เกิดขึ้นมาโดยเส้นทางที่แตกต่างกันแต่มันก็เป็นนามนธรรมเพราะันก็เรียกรวมรวมว่าเป็นสังขารหรือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปตามตัวของสังขารที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งจากนั้นก็เป็นวิญญาณอันดับของสังขารก็อีกแหละดับในที่นี้เขาเน้นเฉพาะดับที่กุศลที่อกุศลเพราะว่า รายบุคคลสังขารที่เป็นกุศลก็ยังยูนั่นแหละเป็นคุณภาพของจิตท่านรวมแล้วเป็นปัญญาเป็นบริสุทธิ์เป็นการุณาท่านก็มองโลกด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็สิ่งมีชีวิตท่านก็มองด้วยกรุณาพวกนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน จึงก็หมายความว่าพระเจ้าสอนให้เราคิดถามช่วงขันห้าเนี่ยนี่คือขันห้านี่คือเหตุเกิดของขันห้านี่คือความดับแผงขันห้าราคาจะง่ายนะใกล้ตัวแต่แหมันเรื่องใหญ่เลยต่อสู้กับกิเลส ท, ที่ยึดติดอยู่ในขันทั้งห้านี่กลายเป็นปนัญหาใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ยากต่อการจะเอาชนะฆ่าขานได้ เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ก็ทุกคนนั่นแหละทั้งผู้พูดทั้ทงผู้ฟังนั่นแหละก็ควรจะพยายามที่จะเข้าถึงเขาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมองเห็นความจางคลายของตานาอุปาทานในขันทั้งหลายลงไปบ้างไม่ใช่ว่ายิ่งแก่ยิ่งตันหาจัดยิ่งแก่ยิ่งอุปาทานจัดอย่างนี้ก็เสียวเชิงหมด เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนากับเพิ่มเพิ่มตัณหาอุปาทานเนี่ยเรียกว่าอหลังเข้าครองไปทีเดียวต้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมดูมีแต่ท่านผู้ฟังฟังได้โดยทั่วกันสวัสดี